ว่าชีวิตนี้มันต้องตายส ก, กายยะทิฏฐินึก ถ, ถึงได้กว่านายาณที่มันอยากเอาแค่ตายตัวเดียวก็พอถ้อามันต้องตายถ้ามันตายอย่างนี้ชาติต่อไปเราจะไม่มีร่างกายอย่างนี้อีกเอาแค่นี้พอแล้วแค่ต่อไปนั่นเ่อไ น, นนิจจะคิดว่าเราในเมื่อเราร่างร่างกายมันตายมันไร้ความป็ิพันธ์มันนั้นก็ดีอย่างตั้งเป้าไปเลยเนตั้งเป้าเล ย, นะ เ, เ, ลยเอาแค่นี้นะ เนี่ยก็หมดเวลาอยงนั้นที่ผ่านเข้าไปไม่งานไม่ยากเลยนะไม่ยากแต่ไม่มีคนอยากไป <c oughs> <c oughs> ขอบระดาษญาจงพุทธบุ ต, สตรสัตยหลายเวลาปฏิบัติกรรมฐานจริงๆอันับแรกคิดถึงร่างกายก่อนว่าร่างกายต้องตายแน่นอนหลังจากนั้นก็ภาวนาให้นึกถึงลมหายใจเข้า ใ, ใจออกไหลใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าใจออกรู้อยู่หายใจออ ก, ออ ก, ออกถ้าญาจงท่านไม่เคยปฏิบัติมาก่อนให้ใช้คําวนาว่าพุโทโธ ในใจเข้านึกว่าพูทันใจออกทน้งว่าโทรถ้าปฏิบัติใครปฏิบัติคล่องมาจากไหนก็ตามไม่ต้องเปลี่ยนกรรมฐานมีสภาพเหมือนกันแค่ต้องการจิบสมาธิแต่ท่านผู้ใดที่ได้มโนยิทธิให้ใช้กำลังของโนยิทธิตามอัธยาศัยอาตอนนี้ไปหนาไญาติโยมพุทธวิสุทธิ์หลายตั้งใจสมาทานสิ่สมาทานกรรมฐาน ให้เยี่ยมไม่ได้อะเอ้าต้อมาเขียนมาอย่างนี้เนี่ยซูก็อ ย, อ ย, อยู่ไม่อันเดียวกันเหรอซีซีเหมือนกันแล้วกันอะลซีให้ได้ใช่ไหมไอยูซีไอกันท่านซีก็เห็นอารัเหมือนกันเนี่ยนะคืออย่างนี้เจ้าค่ะ ล, ลูกหลานอยากจะทําบุญหรือจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อสนองคุณท่านให้หายโดยเร็วๆและฉับพลันขอคําแนะนําจากหลวงพ่อช่วยเมตตาแนะนําเพื่อ ไปการกระตันยูกตเวทีสักครั้งเถิดเจ้าข้าพรงลุงบอกให้ปล่อยปลาปล่อยปลาอะไรครับ<ช>โอ้เอารับใช่ลุงตอบทันทีโอู้มานานแล้วผมมานานแล้วที่เสาต้นนี้ใช่ไหมฮะ<า>ยิ่นี่ยยังแดงเนี่ยชุยเดียวยโอ้โอแหมกลับไปนนว่าท่านที่จะกระตันยูกตเวทีท่านจะกลมเสริมกลังป่วยป่วยขนานี้นะปล่อยปลานะ ท่าก็ทานด้วยเปิดใจท่านนะปลอดภัยจะร่มเสริมมีถ้าไม่ตายในห้าร้อยปีจะอยู่ได้ห้าร้อยเยเหรอครับถ้าไม่ตายนะมีมีวงเล็บเลยเหรอใช่ใชหมายเป็นห่วงท่านไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับร้อใหญ่เขานี้เขาเดียวต่อไปไม่มีอ๋อครับหลวงพ่อเจ้าขาเมื่อเดือนที่แล้ว วันฉลองพระเจ้ากรมมหาลาศวัด ท, าท่าุงลูกจะมีโอกาสไปแล้วก็เวียนเทียนรอบจุฬามณีพร้อมด้วยลูกพระเจ้ากรมมหาลาศในขณะเวียนเทียนนั้นปรากฏว่าน้ำตาของลูกไหลร้ลองไห้เอาไม่อยู่สอึบสอื่นเป็นอย่างมากทั้งๆที่ตอนนั้นไม่ได้มีปีตรงปีติอะไรเลยแต่ก็ประหลาดใจอาการอย่างนี้ได้เกิดขึ้นลูกอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่า ในขณะนั้นพระเจ้ากรมมหาราชท่านโศกเศร้าอะไรหรือทําให้ลูกต้องร้องไห้ตามท่านไปด้วยไม่ใช่ไม่ใช่แจะปีติปีติเหรอครับเจ้าของไม่รู้ว่าปีติเจ้าความยินละปีติอ๋อไอเ้าอกเอืนอนน้ำหูน้ำตาไหลเนี่ยใ ช, นะใช่ใช่ใช<อ>ปีติตัวที่สองเอยคน<ะ>พอมสยงเกา่าจำตาไหลร่างกายยุบตัวโอ้ดีคือว่าเป็นทักรอบรุ่นเก่าด้วยกันอ๋อ ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ชนค่าสึกมวยรุกันใช่ไดู้เชื่อชาติไทยเป็นครั้งแรกเขาจะเป็นพระเจ้าพรหมราชนเรียกว่าเป็นเป็นต้นกษัตริย์แห่งราชวงศ์ประเทศไทยงั้นเะไม่ใช่ต้นแล้วเป็นอะไรเต้นกษัตริย์ตีกว่าจะถึงพระเจ้าพรหมนิหงศรีตำแหน่งกว่าเราคือรัชกาลกว่าโอ้โหแต่ว่าไม่มีสงครามมันมีสงครามสมัยพระเจ้าพังค์ราช เอาอ็อดแอเกินไปใช่ไหมครับครับตอนนี้ขอมดำมันก็กำเริกที่จะยึดประเทศไล่คนไทยโอ้ก็ไล่ไปอยู่ที่เมืองสีทอ ง, งที่ทวงได้แม่สายครับพระเจ้าพรมเกิดมาถึงยุคทิสองปีก็สั่งพ่อบอกเลิกทรงบรรณากา ร, รเตรียมขุดบ่อน้ำเกลว่าวัาขาศึกมาล้อมเมืองใช่ไหมครบจะได้มีน้ำกินเตรียมการรบเต็มที่แลได้ช่าง กายประกายมากเป็นผู้นำครับต่อไปก็าไม่ใช่พรหมก็สร้างบุญบารมีหนักสร้างยังไงตีแหลกเลงเลยปวดปวดเจ้าแต่สันสายขึ้นไปถึงเมืองเสียงแส้เข้ามาเสียงแส้ตีในเมืองโผล่พี่มันนีมาทุ่งยั้งของทัพววิ่งมาสามวันต้องสั่งย้ําให้กินข้าวยั้งตัวกินข้าวสักทีหนึ่งโอพอกินข้าวทีเดีอิ่มแล้วไล่ตีต่อไปอีก แ้างบุญบารมีมากโอ้เราะนั้นฉันอาศัยที่เป็นลูกศิษย์พระเจ้าพรหมยังต้องป่วยมากเนี่ยตอนนีขาพเเป็นลูกศิษย์พระเจ้าพรหมเหรอลูกศิษย์พระเจ้าพรหมอ๋อเลยป่วยตามพระเจ้าพรหมไปเรื่อยใช่ใช่อาศัยู้สึกก็แสดงว่าคนที่ร้องไห้เนี่ยก็คงคงจะหุ่นส่วนในสมัยนั้นไม่ต้าโหรละหุ่นแง่แงที่นั่งนี่และที่นั่งพระเจ้พระจ้นี่ก็แง่แง่กันแล้แง่อ๋อกินหเผอหมัมาด้สน อดีตเขาไล่ออจากเมืองมันมีข้าวจะกินกินหูเผือกหัมันต้องทํากระทาใหญ่ๆญญกินกันมีอะไรก็มาประสมกินกันแล้วเขาเก็บสวยทงคำต้องเล่นทรงคำทรงส ว, สวยเขาถ<อ>้าเคก้กคที่ยวกล้ในคนไทยอยู่แค่ไหนแล้วล้ําเข้าเค้ เ, คเขาไม่ได้ถ้าถ้ายบเป็นเมืองของเรามันไล่ทีไล่ฟัน้หความเจ็บใจของเด็กก็มีอยู่ใช่ไหมพระเจ้าพระหมราชเป็นแม่ทัพชาวลานอายุแค่สิบหกปีโอ้ ยังหนุ่มเฟี้ยวเลยนะยังไม่ทันหนุ่มดีสิบหกยังไม่หนุ่มเลยครับสิปดก็ถึงหนุ่มอ๋อหนึ่งแปดเอาให้เข้าล็อกไปได้แต่ก็ดีในะการตีเท่าเท่านั้นอนะ่ะดียังไงหลวงพอ่อพอมาถึงสัจนาลายได้เมียเลยแม่เจ้าแววพอพระเจ้าพระเจ้าพลหมได้เมียเหรอครับได้เมียอ๋อ พอตีเก่งนะได้ทั้งเมืองทั้งเมียเลยนะใช่ใช่ได้สองโม่โอแต่เจ้าชู้น่าดูกันแตเจ้าหลมนะี่เลยไม่ใช่เจ้าชู้<อ>เขายกให้เองโอก็มีพระรหัสจํานวนท่านบอกว่าในเมื่อถึงศรีสัจนาลายรอบเมืองเขาไม่ยอมให้ผ่านเขตอเราจะไล่ขอมขอมมันก็วิ่งหนีไปใช่ไหมครัครั บ, รบถึงศรีสัจนาลายเขาตั้งทัพกันเลยไม่ยอมผ่านเขตแล้วต้องรบกัน ในเมื่อกำลังเขาเรามากกว่าพราเมืองผูเมืองต่างๆที่ทราบว่าเราไล่ของใช่ไมครับครับเขาก็มาสู้เขาเป็นกำลังมากกว่าเขาเลยตั้งทหารรับบัญเงินเงิเขาไม่ออกมารบแต่ว่าเขามีเปืนนกสัตว์สิบเราสองร้อยก็บอกเราไม่มีที่แตทหารผู้เมืองเข้าเป็นอาสาตีตายไปหลายคนเจ้ากรมริสังไม่ต้องตีล้อมแบบนี้ให้มันอดข้าวเองมันยอมเอง เห็นท่านหลายวันก็ก็มีพระพระโครูเหมือนท่านแต่เห็นมาพระเหรอฮะเป็นพระหานไม่สไม่ทายาทท่านทราบว่าพระเจ้าพรหมก็ลูกสาวพระเจ้าเมืองเนี่ยเคยไปคู่ครองมันไม่ใช่ก่อนไปบอกให้เจ้าเมืองยกลูกสาวพระเจ้าพรหมเสียเส้นเลือดสงครามเขาก็ยกให้พอยกให้แล้วเระพรหมได้สองมเจ้ามอเดียวใช่ไหมครัครับไม่ได้เอาเมืองครับไม่ได้มอเมียด้วยเลยได้มอเมืองเลยโอ้ทีว่าได้ท้งสองมเหรอฮะไดสองม อ้อหเขาให้หมอเมียแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไปตีกันเลยแล้วก็ได้มอเมืองด้วยโอ้โหตีทาไมกล้ากล้แล้วแล้วชื่อชื่อของมอมอที่สองนั่นชื่ออะไรครับสมบวดีปทุมมวดีเลยฮะโอ้ไม่ใช่ปทุมมสวดีจำได้ฉันจำตอนนั้นฉันไปทหารเร็วเเดี๋ยวเรวอยู่แถวหน้าอยู่แถงหลังนะเร็วแถวโคช้างโคช่างโอ นี่คงจะเป็นอันสง์ตอนลั่นจนได้ปวอย่าตอนนี้นะมันไมไ่แค่นั้นอย่างเดียวไม่หลายชาติพยายามครับเข้าไปตีอีกให้การสงครามในฆ่าสัตว์จีตัวโอ้โหเห็นไหมต้องฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าเป็ฆ่าไก่เลี้ยงทหารน่ะมันเยอะแยะอไอ้แบบเนี่ยมั น, ม, นมันเต็มอัตราของฉันเนี่ยแต่ช่างช่างไม่ได้แล้วโอโตถ้า เ, าเอาแค่นี้กับบนตัวแล้ว <laughs> เอาแค่นี้มันก็เอาไปห้กูหนีชาตินี้อ่ะโอ้ยนี่เล่นหลบกันเลยเลยเนี่ยไม่หลบหนีเยอะยอ้โหกล่าวแคกระลูกหลานคนจะภูมิใจนะแค่นี้จะเอาไงก็เอาไปนี่ทั้งนี้ถูกฟ้องล้มละลายแล้วอสิ้นเนื้อปัญาทั้งหมใช่ๆโอ้โหยัมใช้้เอาเฟืองให้เฟืองสลิงให้สลิงช่างมันอ้เจ็บใกลได้ป่วยก็ั่ง อก็อรู้อยู่ตานะฐานกรรมฐ า, านญาณในเมื่อเราใช้ยถากรรมต า, านญาณเราจะทราบทันทีว่าป่วยไข้เกิดอะไรเรื่องมาเกิดเพราะอะไรเป็นเหตุภายหลังก็ไดปดูปั๊บอ้อเราทําเขาอย่างนี้ในเวลานี้เราวินโทษแค่นี้นี่เราฆ่าเขานะนับทัน<อ>นะชุดนั้นนะแล้วเราก็แค่ป่วยไม่ถึงตาย แล้วต่อมาก็เกิดอีกร้ายชาติจกก่มเจ่เพรานร้ายชาติก็จะมาถึงตอนนี้<อ>ด่าทุกชาติแลือางบุญบา ร, รมีด่าทุกชาติ ถ, ถ้าถ้าจะนับจะนวนคนที่ตายไปนี่สักเลยแสนห<อ>น้าเรามาชาตสุดท้ายได้ป่วยหนักขนาดนี้ไม่ใช่หนักคือป่วยเบา น, นี่ยังเบาเละเนี่ยป่วยถึงตายโ อ, โอ้ยังแข็งยังใจแข็งนะ งั้นแต่ละลูกหลานใครเจ็บไข้ได้ป่วยนะแทนทีกว่าตัวเองลำบากแล้วให้ดูลุงพ่อเป็นตัวอย่างนะก็ถ้าเจ็บไข้ได้ปว่วยก็ตัวคิดว่าเราฆ่าขอมกันมามากเราฆ่าศัตรูเพื่อเป็นคนไทยนันเองก็มีมากที่แข่งเมืองครับเราฆ่าพมา่กม า, มาก็มามากมันทวงแค่นี้ช่างมันแับพานี้ผานดีกว่าครับครับตกลงก็ไปนิพานกันชาตินี้รุ่นหลังพระบินบาท ก, ก็คงไม่มีใครใส่บาตรไปนิพานพากันหมด เจยน่วงเรื่้งนี้ก่อนไม่ใช่แหวะไปแวลงมัจะได้อ้าวในรู้เลยนะยถากรรมตายานนะในพวกเราเคยทาเขาไว้หลวงพ่อเจ้าขาคือว่าลูกตั้งใจว่าวันเ่ายันกรอบเพชรตรงกระเสาห้าที่วัดท่าสงลูกจะทำพิธีขึ้นบ้านใหม่แล้วก็จะนิมนต์กายทิปของหลวงพ่อมาทำพิธีเปิดป้าย ไม่ทราบคุณงก็ไอ้วันเสาร์เขาไม่ขึ้นบันใหม่เขาห้ามนะเขาห้ามหรอครับอย่านะมันเป็นวันแข็งเขาไม่ทำงานมงคนประเภทนี้นะเรื่างการปกครองเขาเลื่อนไปว่อาทิตย์หรือวันศุกร์ก็ได้ดิเอาเอาเอาสักก่อนมาวันหนึ่งกนใช่ไหมใช่ใอย่าไปทำไม่ดีนะบางคนนี่เขาเอาใจปิดเรื่วันแข็งแขงเวลา เปิดบ้านจะได้บ้านแข็งแรงเราเชื่อไหบ้านก็ปากแข็งต่างต้อทะเลาะกันเรื่อยมีโทษฉันไม่ได้ประเภทเช้าตุบเย็นตับนะใช่ใช่่างกันตกลงให้เปลี่ยนเป็นวันศุกร์งั้นอย่าไปเอาเสาห้าที่จะเดือดร้อนต่าง้าววันสุกร์ก็ตกพระจะไปไม่ทันดครับทีหลวงพ่อเจ้าขาในขณะที่ลูกเจริญพระกรรมฐานเดี๋ยวก่อนบ้านนั้นเอาวันจันทร์จะดี วันจันทร์หะครับอ <Okay. S 2> oh, วันจันทร์เอ่อเรื่องเชื่อชรื่อชรื่อป๋อมนาะคนชื่อป๋อมนะจำ น, นอะอาวันจันทร์นะกล <Okay. S 2> างเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงอ่าคือว่าลูกนอนหลับกลางวันแต่พอตื่นขึ้นมาลูกก็จะเริญนภาวนาต่อจะว่าฝันก็ไม่ใช่จะว่าอะไรก็ไม่เชิงคือว่าอย่างนี้ เห็นท่านหมอชีวโกโกมารพัฒเป็ น, นิมิตออกีิคลิกนิมิตนะใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ฝันนะเอ้ยฝ อ, อ่าแับพระภาวนาอ๋อท่านมาแนะนำว่าขอให้ลูกขอให้ลูกอย่าเดือดร้อนต่อไปเลยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้ขอบา ร, รมีหลวงพ่อวัดท่าซุงไว้เป็นที่พึ่งทุกอย่างจะเรียบร้อย เพาวัดท่าทุงมีบรารมีมากลูกเห็นว่าหลวงพ่อไม่สบายไม่อยากรบกวนแต่สองสามวันนี้ไม่ค่อยดีเลยขอสักครั้งเถอดเจ้าค่ะนี่ไม่รบกวนนะหลวงพ่อนะความจริงเขาไม่ได้รบกวนเขาขออ๋ <c oughs> อโอเคๆสักครั้งเดียวนะแล้วต่อไปอาละรครับครับแบบอาหารจานเดียวใ <c oughs> สักหลายครั้งนะครับค่ะ อีกเจ้าหนึ่งนี่ก็มาตั้งแต่กลางวันไม่ทันเพราะว่าหมดเวลาเรียนถามหลวงพ่อนิดเดียวตรงที่ว่าคือว่าหนูได้ซื้อที่ดินแต่บะเอินที่ดินแปลงนี้มีสารกักภูมิเดิมอยู่เอจะเอาออกก็ไม่สบายใจจะไม่เอาออกก็ไม่ได้เพราะว่าจะต้องปรับปรุงใหม่เรียนถามหลวงพ่อ ว, ว่าลูกควรจะทําอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดโทษทั้งสองฝ่ายเจ้าค่ะนี่ฉันรู้แล้วตั้งแต่สม้นบุรู้แล้วหรือครับเนี่ย อะไรเมื่อผมเขามาคุยจะเท่านท่านท่านทรงตรัสว่าไงครับท่านบอกว่าจะย้ายก็ได้จะโทษบอกก่อนให้บอกพันเอกสีพันน ะ, ะก็รู้เรื่องกันอ๋อพันเอกสีพันนะใช่ใช่ใช่มไม่เป็นไรขบดกันอ่าก็ที่ลู ก, ลกสิทุกสิษเมื่อสักวันหนึ่งจําได้ตคนนี้อ้าวผ่านไปหลวงพ่อเจ้าขาคือว่าเอ่อลูก ปกติไม่เคยฝันเลยแต่เพื่อเมื่อเร็วๆนี้ฝันนิดเดียวคือว่าหลวงปู่ปานเนี่ยท่านมาหาลูกท่านเอามือชี้ตะมอมลูกแล้วเป่าคาถาลงบนศีรษะลูกมีความรู้สึกสุขใจเป็นอย่างมากแต่ที่จะเรียนถามก็คือว่าลูกควรจะปฏิบัติธรรมธรรมะแบบไหนจึงจะเป็นที่ชอบอกชอบใจของหลวงปู่ต่อไปเจ้าค่ะให้ที่ทํานดีแล้วทำตามเดิมไม่งั้นท่านไม่มางเคราะห์หรอก ครบครับเป็นไปนวรักษาอารมณ์เดิมไว้เงั้นใช่ใช่ใช่ใชเสบายใจหลวงพ่อเจ้าขาในขณะที่ลูกกำลังเจริญภาวนาหายใจเข้าให้ใจออกแบบอนาปาอยู่นั้นปรากฏรู้สึกเป็นดังต่อไปนี้หนึ่งหน้ามืดหัวใจจะวายคล้ายๆกับจะตายไม่ตายแหละชั่วครู่เดียวก็เกิดอารมณ์เป็นสมาธิไม่ใช่ฝันนะคะ เห็นช้างสีทองตัวใหญ่ทรงเครื่องแปรเราาวขาวเป็นประกายพลึกมาที่หน้าบ้านของลูกแล้วลูกก็บอกว่าพี่ช้างจ๋าจะเพิ่งไปนะรอลูกก่อนแต่ว่าช้างก็ไม่ยอมหันหันหน้าแล้วออกไปเลยลูกเป็นห่วงช้างคิดถึงช้างตัวนั้นเป็นอย่างมาก อยากจะเรียนถามว่าจะปฏิบัติธรรมะแบบไหนจึงจะเป็นที่ถูกใจช้างเจาาง้าข่าเอาเลยสิเขาใจพิโดกเล่นใหม่มาแล้วปฏิบัติตามเดิมอไอ้ที่จิตมันวิ่งไปค่อยจะเป็นลมนะเพราว่าทำทีแรกลมหยาบ<อ>การเจริญกรรมฐานกันกลมหยาบให้ใ จ, จแรงๆสักห้าครั้งยาวๆโม่ใชนะ่อาหานะ ออแเราจะระบายลมหยาบไปการอย่างนี้จะไม่แสดงตแต่ก็เป็นชาญนะนะโอจิตเป็นชาญแล้วนะแต่ชานช้างนี่ถ้าเกิดตายก็ผมคงเป็นข้าวที่พานช้างไปเลยนะครับอืออึดอัดอืดอัดนี่เกี่ยวกับเรื่องอ่าลมหายใจยังหยาบไปนะปนนาปายังหยากไปเพราะฉะนั้นก็จําเป็นจะต้องแก้ไขให้ใจรึกต่อไปราษฎรหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง ลูกได้ซื้อบ้านจัดสรรเมื่อปีสามศูนก็ปรากฏว่าตั้งแต่อยู่บ้านหลังนี้แล้วเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเช่นทะเลาะบอกแว้งเจ็บไข้ได้ป่วยโชคลาภก็ไม่เคยจะมีอะไรอะไรกนไม่คยจะดีไปทกอย่างไปหาหมอหลายคนว่ากันไปต่างๆนานาลูกพึ่งหลวงพ่อดีกว่าเพราะยังไงยังไงหลวงพ่อก็เมตตาลูกอยู่แล้วเออเต็มที่ลวเออเป็นไรอ่ะ บ้านถวายวัดสร้างซุ้งซะโอเป็นอาว่าแก้ปัญหาเรื่องนี้คือเอาบ้านถวายวัดเหรอใช่ใช่ใแล้วปัญหาหมดไหมหมดที<อ>่ก็ไปอยู่กระตอ๊อบก็มี้รื่องหมดเรื่องหมดราวไปเลยนะเนี่ยเอานี้สิอยากใหครับหลวงพ่อครับให้หาพระเอกศรีภัยเขาไปดูโอ้พออระยะเจนจาราเทวดาที่นั่นได้นะ ใช่ครับคุนี้ไปพูดกับเทวดาได้อ๋อชื่ว่าพระเอกชื่อเล่นชื่อแดงเนี่ยเหรอแดงคนนี้มีความถนัดในเรื่องนี้นะถนัดมากเอาแล้วต่อไปพี่แดงนะถ้าไปต่อเทวดามันได้เลยสามสิบปีแล้วคนเนี้ยเหรอใช่โอ้มีอย่างนี้ก็ตั้งสารเสริมพระภูมิพรภูมิอะไรก็ได้หมดตั้งไม่ได้แต่เชิญได้อ่าไม่อันเดียวเหรอตั้งกระเชิญตั้งมันต้องตั้งเสาขุดหลุมพวกคุณเลยโอ้คนแก่แล้ว เชิญให้ตั้งศาลเวลาซื้อก็ซื้อก็อกเกินไปเลยไม่ใช่ซื้อผู้ทำภาษาไทยครับครับครับดีแล้วนะเราได้ลูกลุงพ่อเป็นที่รักใครเกี่ยวกับเรื่องศาลพระภูมิสงสัยแล้วก็ถามแล้วก็เชิญไปตั้งได้ไม่เสียตังค์ครับแสนเสจ็ดผูไว้ก่อนเดี๋ยวจะเออคือตังค์นี่ไม่ต้องใจแต่คนนี้เด็ขาดให้แต่แบงค์พอแล้วโอ้สันโดจนนึกหนาดนั้นเลยครับใช่ใช่ใช่่โอ้มัดน้อยโดด ฝึกอังไม่เอาสะแบง น, นะคอ่าหลวงพ่อเขอรับแล้วผมฝึกมโนโมยิทธิได้แล้วมีความศรัทธาอยากจะบวชที่วัดท่าทุงสักเจ็ดวันแต่นี้อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าบวแชแค่ชั่วคราวเจ็ดวันหลวงพ่อจะเมตตาอนุญาตหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรอ่าไม่ใช่ข้ของแต่เวลาไปเป็นหน้าต้องเป็นหน้าก่อนนะ ท, ที่วัดท่าซุงเนี่ยเหรอใช่ต้องไม่ได้เบี่ยงของวัดก่อน คือแม้ว่าจะได้แล้วก็ต้องซ่อมกันมาถ่ายก่อนแล้วสื่อาระเบียบของไว้ก่อนแค่วันเดียวต้องสื่อสาระเบียบเหมือนกันอสื่อสารระเบียบจะโพรเพยไว้บดชจะไม่มีทางว่าถ้าส่งอ๋อมีมีกฎเอาเงินให้แล้วสิบล้านก็จะไม่รับเลยสิบล้านน้องเขาไเอาเหรอยี่สิบยังไม่เอาอย่างนี้ก็เรียกว่ามัดน้อยสันโอด้วยไม่ใช่ระเบียบเขารับดีเขารู้เจักต่อระเบียบอเขาว่าติทธิญาบริวารอย่นลืมนะครับคร ติทยบุริว่าให้ทาั่งอยู่สามเดือนให<บ>้<ไ>ประสิทธิสมาธิปัญญาครับถ้ายังเอาดีไม่ได้ให้อยู่สามเดือนถ้ายังเอาดีไม่ได้อยู่สมเดือนแล้วสามเดือนสามหนเก้าเดือนไม่ได้ห้ามหมดเลยโอันนี้พวกเราใช้วิธีรักให้ฝึกมโนยุทิสมาธิปัญญาสำคัญตรงนี้นะคร<บ>ับถ้าได้มโนยิทิแล้วก็ย่อปฏิบัติตาเรยอของวัดได้ไปหมู่แก่แน่นอนอ ติ้งตางสมมติว่าจะเหมาให้หลวงพ่อเนี่ยสักคิดราคาสักเท่าไหร่สักบวดสิบแสนก็พอโอ้โหนี่ขนาดสันโดดนะสันโดดสิยังไม่ถึงสิบล้าเนี่ยบนตัวแล้วอย่างงี้ก็มาเรี่อยกอูงบประมาณก็ไปไม่ได้แน่ที่วัดนี้นะไปได้ไปได้ละครับถึงยืนราคาไม่แพงโอ้โหพเสือกถามนำทางเลย ครับจริงๆที่วัดท่าสวนผมไม่ตาอยู่แล้วนะทำตามระเบียบดีไม่ดีหลวงพ่ออาจจะออกให้ฟรีใช่ออกฟรีแต่จ่ายเช็คมาก่อนเพื่อค ว, วามมั่นใจในการบวชนี่นะใช่ๆช่ชเรียกว่าที่เล็บก็ไม่ให้กระเด็นวัดท่าตรงนียคนคนถามไี่มีเมียหรือเปล่าคนถามเนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมนั่งทางในดูก่อนโอ้เลยมือแบบนี้ต้องผ่านแง่แ ไม่รู้จะมีอิพเปล่าก็ลาเมียเขก่อนนะให้เมีอนุญาตนะถ้าเมียไม่อนุญาตอุปชาถูกถอดโอ้โหนี่อย่าพูดอย่างงี้นะต่อไปผู้ชายบวชยากเดี๋ยวเมียไม่ให้สิพอถ้าเมียไม่อนุญาตที่บวชไม่ได้เลยหรือถูกถอดบวชได้แต่อุปชา ถ, ถูกถอนจะมีเรื่องอ้อย่างงี้ก็ต้องปลอมลายเซ็นเมียบอกว่าอนุญาตพี่แล้วเขาไม่ยอมเอาลายเซ็นล้วตัวไปเลยโอ้โหน ลุงนี้ไม่ม e ีเมียสักก็ดีบวชยากจังแล้วก็เมื่อเลิกมีเมียมีแต่ปัญญาสิที่ได้แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะอครับครับดีนะบวชวัดพระสุเมตจะได้ประโยชน์มากอ่หลวงพ่อเจ้าอ่ะบวชพอดีเลยนี่บวชชีเมื่อกี้บวชละนะหลวงพ่อเจ้าขาคือว่าลูกบวชชีอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง เผลอมีความจำเป็นในภาษาตรมาสามเดือนอยู่ที่วัดไม urpose, deity, stirring, ่ได oh, ้จําเป็นจะต้องมาเศ้าบ้านเพราะว่ามีหลานตัวเล็กๆอยู่แต่ว่าการเศร้าบ้านนี้พ่อวัดปฏิบัติกรรมฐานลูกถอดแบบหลวงพ่อเปลียทุกประการแต่ไม่ทราบว่าจะมีพลายอนิสงส์เหมือนกับอยู่ที่วัดหรือเปล่าไม่มีอะไรทีเขไม่ห่านอยู่บ้านก็ได้เพราะทีอยู่บ้านได้ได้อธิบายกรรมฐานที่เสี่ยงใช้ก็แล้วกันมาเรื่องกัน มีสินจะมาที่พญาทรงโตใช้ได้เลยอ <c oughs> อถ้าบทประเภทนี้มันก็ผิดประเภทเท่นันนะทําไมถ้าผิดผิดยังไงครับพ่อครับมันต้องถ้าบทที่ว่าถ้าทรงต้องบดในเพลงไม่อาก็คือบางคนนี่มีความจําเป็นอย่างการลดลาวาสตอไอขึ้น ล, ลุกไม่ไายไม่ได้ไไดต้องบดในเพลงเอาก็บาง<ว>คนอยู่กรุงเทพไกลๆนี่ไหมก่อจะไปลวยอะไรก็บอกว่าโอ้โหไปพะโลแควร์เลย พี่โซวิศะ อ, อ๋อกลายเป็นกล้วยบทชีกล้วยงั้นเหรอ <c oughs> นี่นี่นี่นี่เลยแพนแล้วนะ <c oughs> ยังมีอารมณ์ยังมีอารมณ์อ้าวใช่ๆทำอยู่ดีนะออไม่อ่านไม่ทันเลยเดี๋ยวไว้ก่อนนะเดี๋ยวก็ไปอ่านกันอ่าเอาที่หลวงพ่อเจ้าขาอดีตสมมาทิ อลูกอยากจะกามเรียนถามเกี่ยวเรื่องสมาธิเล็กน้อยถือว่าอย่างนี้เจ้าค่ะสมาธิของลูกนี่จะได้แค่ประมาณสองสามนาทีหลังจากนั้นไปอารมณ์จะฟุ้งแล้วก็ทุกวันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่สามารถจะแก้ได้จึงขอบา ร, รมีหลวงพ่อช่วยแก้เพื่อการปฏิวัติของลูกให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปด้วยเถิดเจ้าค่ะพอแล้วสองนาทีพอแล้วสองนาทีเนี่ยเหรอ อย่าลืมในวันละสองนาทีละสิบวันเท่าไหร่พวกยี่สิบวันทีร้อยปีเท่าไหร่โอ้เอาอย่างนี้เหรอใช่พิธีที่ส่งสมาธิส่งตัวจับอนาปัตติเตวิเพาะราบครับถุกลมให้ใจก็ออกให้ใจเข้าหายใจออกนับเป็นหนึ่งถึงสิบใช่ไหมท้าบครับตั้งใจคิดว่าถ้ายังไม่ถึงสิบจิตมันรอกว่านะเริ่มต้นใหม่เอาให้ถึงสิบให้ได้อือดีทีสุดตอนนี้นะทราบครับ ก็ลงความว่าแม้สองนาทีสานาทีก็ใช้ได้แล้วนะมันใช้ได้อยู่แล้วอ่าเรียกว่าดีแล้วพระที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเราสาธิตหมดที่ประหลัดก็สาธิตหมดะดูก่อนสาธิตหมดบุคคลใดจำจิตให้ว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งสถาคุเขากล่าวว่าบุคคลนั้นมีจิตไม่ว่างจากฌานอสองนาทีที่มันว่างจากกิเลสนะหรับหลับ ใช้ได้ใช่ได้นะฮะสองสามนาทีเวลาไปใช้ได้โอ้นี้อ่านม่ทันเลยกราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงลูกอ่านธรรมวิโมกเมื่อเดือนก ร, รกฎาหน้าห้าสิบสี่โอ้โหนี่อ้างหน้ามาเลยนะยินดีด้วฉันใช้ไม่อ่านเลยอ้าวหนังสือที่ออกจากวัดท่าสมไม่ได้อ่านเลยเหรอไมไ่อ่านเนื้อละอ่านขาดขาดต้อแสดงหลวงพ่อโชคดี อ่านธรรมวิโมกโดยกระดกกดาหน้าห้าสิบสี่ว่าด้วยปฏิสัมพิทาสี่อะไรวิโมกแปดอภิญญาหกจึงสงสัยว่ า, วาจึงสงสัยว่าคนที่จะอะไรบรรลุสามอย่างดังที่ลงพ่อว่านั้นสมมติว่าจะทำบุญเอาในชาตินี้ลุ้นล้วนและอธิษฐานว่าเจ้าพระคูณถ้าฉันเป็นลาหันเมาาื่อไขอให้ได้ปฏิสัมพิทาสี่ วีโมหกแปดอภิญยาหกอธิษฐานอย่างนี้จะมีความสำเร็จในชาติปัจจุบันได้หรือไม่เจา้าคะ ส, ส, สำเร็จสำเร็จลรืครับพ่อแตไม่สำเร็จะรนะหันแล้วสำเร็จอธิษฐานโห<อ> <laughs> ลงตูนแทบตายนึกว่าจะสมความปรารถนาจะไปทำทำไมถ้วก็ฝึกมาโนยิีพี่ให้ดีแล้วอชอบ<ว>อยากยากความจริงแค่ขึ้นปนัญิพานได้นี่ก็กล แ, ลแล้วแล้วจด จะจุดหมายปลายทางแล้วยานได้ไปเฉวิมทานยานอยากได้ไปทําไมสงสัยจะเป็นไม่มีความหมายเลยแค่นิพพานอะไรๆก็แค่นิพพานยานจุดสูงสุดเรียกว่าสบายที่สุดก็คือนิพพานใช่ใช่ใชอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปเอาแล้วไปสนใจไม่ได้ยัมีคนฉลาดแบบนี้เลยครับขอขอโง่ต่อไปขอความโง่จงเจริญโอ๊ยเหนื่อยเลยลงเลย หลวงพ่อจะขาลูกสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเ อ, อในที่พระสอนว่าผู้ที่จะเป็นเทวดาได้ต้องประกอบด้วยหิริโอตปาอายชั่วครัวบาปแล้วก็มาสงสัยตอนที่พญามาลาธีลาดไปแกล้งพระพุทธเจา้าทุกทิ่งทุกอย่างทุกประการคนที่จะแกล้งได้นั้นต้องมีอารมณ์โกรธอิจฉาริษยาพยาบาทไม่น่าจะเป็นเทวดาได้เลยเรื่องนี้ลูกสงสัยมานานแล้วขอความสว่างจา้าอนนเข้าใจผิด อ้าวแม่นี่เขาสอนก็นมานานแล้วเป็นยังไงกันแน่หนให้สอนก็ทั้งพระยกทรงก็เคยสอนนะแหม่สารภาพบาปเลยตัวนรกอยู่นี่เองพบแหมมาอวยพรกันต่อหน้าต่อตาเลยเหรอ <c oughs> อวยพรรัหลังยืดเรื่องเลยอ๋อครับโมตนาโดยที่ให้พรต่อหน้าฮนะ <c oughs> นี่ยเรื่องนี้เป็นแบบไหนเป็นเทวดาท่านท่านอะไรท่านเท่ามายนี่นี่เนี่ยม้าราดที่ลาดเนี่ยโอ้โหม้ารัดที่ลาชชื่อเดิมชื่อเท่ามาลาย ความจริงท่านไม่ได้โกโรธอาแล้วกันที่แกล้งแงนะไม่ได้โกโรธแต่ความจริงหน้ามาเป็นเพื่อนกันกับพระเจ้าพญามามลาธิราชเนี่ยใช่ เ, <ล>เป็นสมัยพุทธภูมิเราเป็นเพื่อนกันอาแล้วกันต่อมาในเมื่อบรรลุปฏิเสธสัมมาสัมพุทธญาณแล้วใช่ไหมค้ัครับท่านคิดว่าในเมื่อพระเจ้าบรรลุปภิเสธสัมมาสัมพุทธญาณแล้วจะสอนคนปฏิพันธ์หมดเวลาที่ตัวเองปฏิพันธ์ไม่ได้เป็นพระเจ้าจะหาลูกศิษย์ไม่ได้ถูก โค้งเข่าเตาต้นฟันเท้าจอบนะตัวหน้าแล้วหน้าแล้วระวังใหดีมาแล้วเหรอครับมาแล้วผมไม่ได้พูดนะคนอื่นเขาพูดนะโอ๋ยที่ลาแล้วอ้าวไม่เอาแล้วเหรอพระพุทธคุณจวแพมอ่ะลาแล้วเลิกกิโอีตอนนั้นเราแหมกลัวกกลัวจุกลัวจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ากลัวจะไม่มีลูกศิษย์จะไม่มีู้ศิษย์อ๋อที่นี้มองไปหมามันเหลือแหลไม่หวโอ้ยครับ ตกลงเลยลาแล้วลาแล้วอ่าทีนี้ก็ไม่เกเรสิเป็นคนดีนะ <S <S อ, อ้าดีจริงจริทีนีตามช่วยน ะ, ะนทนีเรียนกรรมฐานได้ตามช่วยนะถ้าท่านพยายามาลาธิราชเนี่ยใช่ใช่่ชตามรเพระโอ้นี่้าหากว่าเราอย่าเรียกพยายามมาลาธ่ราช ต, ต, ต้องเรียกไงคาพ่อเรียกพยายม<อ>ามาลาธราชจนลงแกงต้องเรียกเท้า<อ>มาลายโอก็มาลายนะแต่เท่อนี้เนี่ยให้ดียเที่ยวเทีนเ้าบรรยไม่ได้ดีไม่ดีเอาหนักเก่าเลยนะ อ๋อต้องรีดเท้ามาไลนะเอาแล้วงวดนี้พอจะอาศัยได้แล้วพอเท้ามาไลแต่ถ้าไม่ออกมาก็ก็เป็นนันใจังทุกอยางอันตาเ้อะนะอ้าวเป็นอันว่าที่สอนกันนะผิดนะนะผิดพอได้ปลัโอดทำความเข้าใจสมัยเรือว่านักเทศน์ก็จะโวยยแบบนี้เสมอครับๆๆับอ่านหนังสือแล้วไม่คิด พระเทวดาได้โกรธไปได้แต่กโกราต้องจุตินั่นล่ะสิเออไม่จําแล้วหลวงพ่อไอ้ที่กขบอกว่าอะไรยกผลผลให้ยุคเสนา ม, ม่ไม่มีมมคอ้อมีช่างอะไรนั่นเนี่ยเป็นสมมติอ่าแล้วครับเ ว, วลาเข า, าถามเนี่ยเขาไม่ได้ไปยกผลผลเสนนาแล้วมาคนเดียวเลยแล้วสลูกสาวว่าสามคนถ้าเป็นฉันเรียบร้อยเฮ้ย <laughs> <laughs> <laughs> ไป้องไปกันแล้วนะโอก้ไปายแค่นี้ แล้วต่อมาถ้าเกิดหลับตาถ้าไม่อยาลืมตาไอตอนที่ยกกำลังมานี่ไม่ใช่ยกกำลังใหญ่คร่ไอตัวแม่มาคนเดียวมัรกิจข้างๆผิดหรือลืมตาเถอะอย่าไปไหนเลยเป็นบรรวิเศกษเพื่ออะไรเป็นพระเจ้าจังพระที่กว่าพระเจ้าทำไมสนใจลืมตามาบอกปาเปิมะดูก่อนมันเป็นบาปไปขึนนะจะยุ่กับาสนาพุ จริงๆแล้วแค่นี้เองนะแค่นี้เองโอ้โหเขาเขียนภาพน่ากลัวหวาดเสียวใช่ใช่ใช่เขาให้นั่นเป็นภาพสมมติขึ้นมาอ๋อกลับกลับเอาวันนั้นว่าสว่างกระจ่างใจมนแล้วต่อห น, นี้ไฟเราจะเป็นมิตรกระเท้ามาลายข อ, อพ่อท้ามาลายจะช่วยยกทรงด้วยเถิดพระพุทธเจ้าขา้าอย่างน้อยๆก็หมดสองตัวอพอผมไม่เคยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยโลบแล้วครับเรื่องหวย ท่านมีอารมณ์ขันดีนะองค์นี้นเ่ะครับมิ้นก็ฉันชอบกันออชอบทะเลาะกันเคอ่าอะไรขันแต่ชอบทะเลาะกันมีคราวหนึ่งใช่ไหมครับทีเ่เรานอกเวลาไ ม, ไม่ไม่เป็นไรเกาลุกให้เทไปแค่สามสิบนาทีก็เจงนะโอ้โหก็วันหนึ่งตอนสี่โมงเช้าว่างอ้โใครไปใครมาก็ไม่มีเห็นถึงสี่โมงเช้ามีเขามาก็หลงกลนมามาตุนาประตู เ oh. ที่ยวไปเที่ยวมาเนี่เอ้ฉันจ่าตัวมาร่าจึงไม่เคยไปเลยว่ะก็ oh. ไปหาท่าทศรถท้าทศรสก็รสดจริงๆทำไมฮะมีแต่กางเกงไม่มีเสื้อโอ้โ oh. ามอานิจจังนิจ่าจ่าถามว่านี่เทวดาทําไมนั่งไม่มีเสือ้อเสื้าไม่ใส่เขาถามมันมีมันจําเป็นเลยก็ oh. คุยไปคุยมาไปดูรุ่นน้องกันมาเยอะ คือน้อมายเจก็บอกอ้ยเพื่อนเก่ามาแล้วโอ้เสียงเจียวเจียวเจียวเจียวฉันเคยอยู่เชนนั้นมาก่อนโอ้แค่ตัวาลาคืนะโอ้อดีตเคยอยู่มาก่อนเคยเคยอยู่ด้านท่านดานทิศเหนืออ๋อเคยใหญ่มาก่อนที่ต่อไปก็ชวนกันยกทัพไปหาท้าเรือนหกก็ไปกันหมดแต่ถึงท้าเรือนหกก็ชวนไปหาท้าเรือนปากก็ไปกันหมดแต่ถึงท่าไรสวรรค์อีกแถวนี้เองปู่ยักษ์มาไม่ต้ง ja ่วงแล้วเสียงไม่ <g ölker> like ถึงฟังไม่ได้เลยเพื่อนเก่ามาแล้วเพื่อนเก่ามาแล้ว ถามท้าวเสุบรรณว่าเวลานี้เทวดามาหมดไหมปกเลยมมเทั้งภูมิเทวดาไม่มาโอ้โหแล้วต่อไปก็พากไปหาโยมยาตุ้ร่าทั้งหมดยกทัพไปพร้อมหมดครับแต่บอกวันนี้จะไปรบ ก, กับใครกนเนี่ยทำไมเพราะมากันเต็มตาเลยนะเขาไปคุยหยุดพักก็ชวนท่านไปชั้นยามาด้าริงก็ไปหมดอ้โแต่ถึงยามาก็โยมดูชายอยู่ที่ไหนคนนะถ้าอร่าท่าเป็นถ้ามาท่านท่านท่า น, ท, านท่านเป็น เขาหน้าอยู่ที่นั่นอพอคุย ก, ก็เสร็จก็ชวนช่้นดูสิษย์ให้ยามาก็ไปหมดไปหมดครับทุกชั้นพอถึงชั้นดูสิษเรียบร้อยแล้วคุยก็ท่านดีมาหาวิทยาลมหาวิทยาีอ่ า, า น, าาานา์ใช่ไหมครับครับเรียบร้อยแล้วแต่ชั้นนี้ถ้าไม่ไปด้วยอาว์เป็นปผู้ใหญ่ก็ไปชั้นนิ ม, มาราดีอถึงชั้นนิ ม, มาราดี้วต่อไปชั้นปรินิมชั้นทํามาเลยแม่ พอไปถึงปั๊บท่านท้าวมะเลยก็มายืนอยู่ขอบไรเรียก็เป็นรูปเป็นกระแพงนะครับครั บ, บเป็นรูปกันน่าวะตูบอกที่ม้วครับที่ม้วนขับเข้าบ้านผมเอาดิดูข้างหลังเป็นล้านนะ<อ>บ้านดันใหญ่เท่าไหนรู้ไหมครับเทา่ทาเท่าสารพรมพี่โถสังอาณาถาถามว่าที่เทวดากี่ล้านคนนี่ยจะเข้าบ้านาเต็มเลยบ้านจะพอเลยถ้าบอกบ้านเทวดายืดได้ อ้อหเหมือนลูกโป่งนะะใจครับพอเข้าไปจริงนั่งห้องแล้วแขกไม่ถึงเครื่องห้องหรอไปเป็นร้านแต่นั่งไปถึงเครื่องห้องอต่พิมานไม่ใหญ่ขึ้นมานท่านหลอกเราแล้วคุยกันไปคุยมาถามว่าเวลาเนี้ยยังอยากเป็นพระเจ้าไหมจะบอกลาตรงแล้วออลาแล้วนะถามว่าก่อนจะลาแล้วทําไมเสือแกล้งพระเจ้าอีกตอนนั้นเป็นโง่อยูพูดกันเลยอ๋อเขาแกล้งว่าจะไม่มีคนสอน เวลานี้ไม่เอาไปอาหารนี่กว่าถ้าถามว่าถ้าอย่างนั้นเวลาเวลาท่านพุทธบริษัทจริญกรรมฐานท่านเที่ยวแกล้งม า, า, า, างช่วยเดี๋ยวที่ช่วยช่วยไม่ไม่ไแกล้า่วยแล้วพวกเดียวกันเป็นที่ว่าเวลาหมดเวลนแล้วขอยุติไม่จะเพียงเท่านี้นะครับดี บ, บ, บ, <อ>บางจิงไม่เน่มสองบาทไม่บาทเขาจรื่องไม่ึงเื่อเพื่อนส่วนหกดอหกรก็มีด้วยปะการาชนีนะถ้าพวงนี้ก็ต่ออาทีนี้ก็ เมื่อจบตอนนี้แล้วก็ขึ้นต่อเดี๋ยวก่อนกินน้ำก่อนอ่าครับไม่เป็นไะเอ่อก่อนก่อนจะต่อก็บอกนิดนึงว่าคืนวันที่สิเบเ็ดนะสิเบเอ็ดสิงหาเนี่ยนะหลวงพ่อมาที่ซอยสายลมเมตาสองเคราะห์ลูกหหนยโลกัยนี่น่าจะสว่างว้ก่อแเดี๋ยวคนฟังก็ทำตา <c oughs> เลยกลับไปถึงบ้านไปตรงนี้ได้เลยอ่า<ๆ>กลับจปกลับสมุทรการหลวงพ่อ ที่เคารพอย่างสูงประผมวิชุอรารยายอมณ์อาจารย์ใหญ่ไม่ใช่จา์ใหญ่อาจารย์โรงเรียนได้ทำวิธีดังต่อไปนี้ปล่อยปลาช่อนสี่สิบปลาดุกสีสามปลาหลสิบหกตัวรวมทั้งหมดเก้าุเก้าตัวเป็นเงินห2 0้อยี่สิบบาท เหลือเงิน200งอีกสองร้อยถวายหลวงพ่ออีกห้าสิบร่วมปล่อยอีกขออุทิศเจาะ จ, จงถวายหลวงพ่อขอหลวงพ่อจงโมทนาด้วยเธอดขอโมทนาเนะขอท่านบูตามจินเจริญจงมีแต่ความสุขกันเจริญบัตนาสมหวังทุกอย่างนะให้ใจไปออกเสียงเยาใหญ่ จ, จะไปรอดต้อตงอนเปล่าคน ไปรอดจนทั้วันยังไม่ได้ไปดิ่ขอให้ไปเยเข้าใจตอบนะไปรอดแต่เขาให้ไปนะใช่ใช่ครับลอยเหรอเอาว่าไปมีตะคนให้ตังกันใหญ่เอาเดี๋ยวดีมาดีมากดีมากพูดเป็นเงินเป็นทองอะอ๋อเป็นเงินเป็นทองเหรอใช่ใช่ฟังปิดไเป็นตัวเงินตัวทองผมเลือเฮีย กำลังลาบกันมา <c oughs> นะตั้งแต่ได้ภสษีวุลีใหม่ทุกสายจะลาบมาแล้วยกทรงนี่ไม่กล้าบอกใครนะ <c oughs> ห่ากล่าของล่างนะ่ะเขาเริ่มเวลาใหม่นะครับเริ่มเวลาใหม่อา่าใหม่ใหม่แปลงเป้งสามทุ่มพอดีสาทุ่มพอดีครับเขก็กลัวลืมกันปราบสมตรการประเดชสกฤตหลวงพ่อที่รบอย่างสูงโอ้โ ห, หนี่ไล่ ย, ยาวมาหน้ากระดาษเลยเอาย่อเลยว่าคุณหมอสศีธนนชัยหรือศีธนะชัยกูมือ เขาบอกก็อย่างนี้กระาผมนี่ตั้งใจเป็นอย่างแรงกล้าจะปูหินอ่อนวิหารวิหารแล้วก็บริเวณโบสถ์วัด่าตุุงจันทารามจะซื้อหลอดไฟถวายวัดถวายโรงเรียนโรงพยาบาลตั้งใจจะเต็มที่ตั้งใจจะทำให้เต็มที่คิดเป็นเงินหลายล้านบาทก็ผมขออนุญาตดังต่อไปนี้หนึ่งผมจะออกเป็นอย่างมาก ของผมจะชวนพ่อแม่ของผมมาทํากับหลวงพ่อไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะเห็นดีเห็นชอบและจะอนุญาตหรือเปล่าเพราะว่าเงินไม่ค่อยมากยี่งไม่กี่ล้านหรือว่าถ้าให้นะยินดีเสมอจ้ะถ้าให้เหรอถ้าให้นะถ้าขอต้องนานๆหน่อยอ๋อขอโมทนาด้วยนะครับเขาทุกคนร่วม โ, โมทนาด้วยพ้ายามไปทำเรือ่องอะไรเลยขเขาตั้งใจเป็น อ, อะไรตั้งยังไม่ถึงมือนี่โมได้เลยเขาได้แล้วโมมีได้หมด อเจตนาหั่นกเบยปนยังมาทำมิพุทธเจ้าบอกว่าพิสุทธิั้งหลายคําว่าบุญมาจากการตั้งใจเพราะตั้งใจแนี่ยนอนบุญมันเกิดทันทีอให้คนที่ตั้งใจจะทําบุญยังไม่เดือดทมาตายเวลานั้นได้ไปสงร้อยเปอร์เซ็นได้ผลหรอครับใช่พระขาดทุนแหมรียบบอกเลยนะใช่เคยขาดทุนมาหลายรายแล้วโอหลายรายครับย่างนี้ไม่น่าเทศสอนสร้างมุตติ จะสร้างให้ตั้งมาสิบบาทกูตีราคาตั้งล้านโหโหรีบตายเลยก็ ไ, ได้เลยได้แค่สิบบาทนั่นเองแล้วยังดียังได้มั่ง <c oughs> ดีก็พูดที่ตั้งใจที่ยังไม่ทันได้<อ>ยังไม่ทันให้ก็ตกลงว่าเพียงแต่ตั้งใจจะถวายจะให้เราก็ได้บุญแล้ว ตอนนี้ไฟพวกเราเลิกเอาปัจจัยถวายหลวงพ่อเราเอาตั้งใจอย่างเดียวดูซิหลวงพ่อจะนี่หมดหรือเปล่าแล้วเจบอกเจมันจะกินอะไรกินใจอย่างเดียวเกิดไปชา้าน่าหาวบอดบอดอย่างนั้นตัวอย่างในทรรมบทช่ะเกิดมาไม่มีอะไรจะกินเลยลืมไปแล้วก็เกิดมานี่นะครับไม่มีเขาก็ไปทิ้งไว้กลางป่าอาศัยบนนี้จะไปอะไรหันมีอยู่เพราะว่าในชาตก่อน คือว่าทานในเมอริสงต่ำํำแค่สวรรค์ใช่ไหมแต่ความจริงเฉพาะทานกับวิพญานได้แค่แม่เข้าใจอันนี้ก็รักษาแต่สิ่งก็ภาวนาขาดการให้ทาน<อ>เกิดมาชาติหลังถือไม่มีทรัพย์สินอย ก, กินอะไรก็ไม่ได้กินเขาเพออกมาแล้วเขาไปทิ้งรังป่า อ, อาศัยบุญรักษา<อ>สัตว์ก็ไม่กัดใครก็ไม่ทำร้ายตายก็ไม่ตายต่อมาพอเป็นหนุ่มพอเดินได้นะไอเจ๊เขาคลอดบุตรเขาลกอกปรฝังไปกินล็อกข้างเดียว แล้วต่อมาก็มีความรู้สึกว่าการเป็นฆราวาสไม่ดีเห็นพระจะมีความสุขใช่ไหมก็ไปบวชพ ร, <อ> ร, ระคุปช้าจะเป็นพระอาหารหันต์ไปัะภิทายานวันแรกแทนนั่งแทนยืนท้ายคนใส่บาตรตั้งตอนต้นพอจะถึงองค์ท้ายข้าวหมดคุปชาก็บอกว่าเออวั น, ว, นวันลุกขึ้นคุชชาบอกเอางี้แล้วกันคุณ วั น, นวันนี้เขาใส่ไฝถึงท้ายหมดไปยืนหน้าแข่งก็แล้วกันโอ้น้ำหน้าโ oh, <ข>อ้ยใครมาใส่ได้จะได้หมดเนี่ยยังไ ง, งไ ก, ก็ต้องได้ก่อนใครก็ต้องได้ก่อนอาจารย์พวกใส่บาตคิดว่าเมื่อวานนี้ใส่ท้ายหน้ามาถึงท้าย <laughs> วันนี้เราใส่ท้ายไปหาหน้าถือว่า oh. พอจะถึงองหน้าหมดอีกกริม <c oughs> จริงเห็นไหมาขาดทันนะโอ้ยถ้าต่อมาวันที่สามอาจารย์บอกอาจารย์บอกบบคุณยืนกลางมันจะใส่ทางไหนต้องพบตรงนั้น ก็ <mm <at> ยืนกลางแอบแจ้งคนใส่บาตรเมื่อวันก่อนใส่หน้าไม่ถึงหลังวันที่วันที่สองใส่หลังไปถึงหน้าวันนี้เราแบ่งเป็นสองพวกอต่หน้าพวกหลังพวกไม่ยึดตรงกลางหมดอีกโอ้โหแล้วก็ต่อมาอีกวันที่สี่อูชาบอกใกยืนข้างฉันก็แล้วกันอเขาใส่บาตรองค์ที่หนึ่งไม่เห็นองค์ที่สองใส่บาตที่สามอดอีกอดอีกเหรอใส่แล้วนางว่าใช่แล้วต่อมาอูชาต้องมือจับบาตร เขาจึงมองเห็นบาดเนี่ยเพราะว่าต ja ั้งใจอย่างเดียวจาไม่ดีนะนี่นี่เอาเรื่องนี้มาขู่ป้าะไม่เคยขู่เลยจริงมันมีแล้เออแคนความตั้งใจอย่างเดียวน่าคงไม่ได้เรื่องเลยไปเดี๋ยวไปนั่งข้างหน้าข้างหลังอดนั่งกลางก็อดอีกเคียงข้างก็อดอีกใช่ใช่มีหน้าเราเอธิโอเปียเพราะ ได้แต่ตั้งใจไม่ค่อยได้ทำตัทําแล้วต่อไปก็เป็นพระอรหันต์เะยอ้าแอ้าวเ้าไปได้ดีได้ยังไงพ่อมีสิงก็ภาวนาลงเราเป็นอรหันต์แต่ตอนนี้ไม่้ข้าวกินกรมหายไปอ๋อตอนตอนยังไม่เป็นนั่นต้องต้องซ้อมก่อนโอ้ยพระโลกีเหนียวอ่ะเนอ่ยเฮียยกทรงอ่ะหัหน้าในโซนเบ้าใบเขาในย่าเจ้าใบพานักอดจะเนี่ยครับครับโอ้ต่อไปนี่ไม่เอาให้ฉันที่พูดฉันเมตตานะ นเอาความดีซะด้วยเนี่ยเมตตาฉันเนี่ยนี่โนี่ก็จะเมตตายกส่งอืมอ้าเป็นนั้นว่าวันนี้เราก็ได้บุญฟรีจากการโมทนาอะไรคุณหมอสอสีธนนชัยเนี่ยนะพณะชัยธนนชัยนะอ่าดีนะวัอนี้จ่ปั้มอ้าวแล้วมีข้อที่สองว่าอย่างนี้ กระผมเอาเงินที่ได้กำไรจากการเล่นหุ้นซื้อหุ้นขายหุ้นแบ่งมาทำบุญถามว่าจะได้อ่านนี่สงสมบูรณ์แบบหรือไม่อันนี้ก็ครบถ้วนน ะ, ะเพราะไม่มีอะไรเป็นบาปมันตรงไปตรงมาอไม่ใช่โกงไปโกงมาครับอะไรหุ้นเวลาราคารถเราก็ซื้อใช่ไหมยช่ราคาขึ้นแล้วก็ขาย<อ>ปกติ ตรงไปตรงมาไม่เป็นไรตกลงว่าได้ผลได้บุญสมบูรณ์แบบนะใช่ใช่แต่และอย่างประเภทเปียแทะนี่ก็ขอ ง, ง, งแบบเปียแทะก็สมบูรแบบต้องไม่ได้โกงเขาอ่ะโอ้โหวัดนี้แปลกนะอะไรอะไรก็ดีหมดสมบูรณ์แบบหมดน <c> ะ <oughs> เรื่องเท้าไหวแล้วไม่มีอะไรผิดแบบเลยนะไม <c oughs> ่ผิดที่ต้องผิดแต่ยังไง <c oughs> แต่ตั้งใจแล้วไม่ค่อยทำยํำไม่ค่อยจะถูกแบบ <c oughs> ถูกเหมือนกันถูกนานๆนาน ๆ, ๆ, ๆถูกกว่าจะได้เกือบซีแงะแก่เลยนะอืมสุดยอดอ่าหลวงพ่อคอรับเอ่อเคยได้ยินคําแนะนํา <c oughs> ไม่ทราบประจักหลวงพ่อหรือองค์ไหนว่าการที่จะเอารถเข้ามาไว้ที่บ้านวันอาทิตย์ไม่สะดวกนั่นจะใช้วัประหัตได้หรือเปล่า <c oughs> แล้วเพื่อความปลอดภัยของรถควรจะมีมงคลละวัตถุของหลวงพ่ออย่างใดอย่างหนึ่ง <c oughs> ขอให้หลวงพ่อแนะนําด้วยหนึ่งเพื่อความปลอดภัย เราไม่ทนเขาเขาไม่ทนเราและเราและเขาไม่ทนกันเอานี้ก็แล้วกันจะให้ไว้นะครับครับตั้งใจเป็นมงคลอให้มงคลอยู่ที่ใจอย่าเผลอนี่นี่มงคลแท้เลยนะนี่ย่างแท้อมงคลพระเจ้าต้องอยู่ที่ใจครับครับครับไม่เผลอเอาไว้ที่บ้านก็ไม่เผลอจอดไว้ก็ไม่เผลออิีงไปก็ไม่เผลอ ตัวเอ่อตัวไม่เผยเนี่คือตัวที่ไม่ไม่มีเป็นมงคลเป็นมงคลอ๋อเป็นมงคลนะใฮ้ตกลงก็จะออกวันไหนยังไงก็ได้ใช่ไมได้ได้อ๋อเขาเรียกมงคลที่สามที่เก้าออเมื่กี้ก็ให้มาห้าเก้านะเอาแล้วเหมือนแล้วมีเก้าอยู่เอาล้วเอออ้าวตกลงนะเมื่อไรเวลาไหนก็ได้ขอให้ใจสบายเอ่อแต่แต่มีอยุครั้งหนึ่งผมจําได้ว่า อ่าผมใครมันก็ลดมาให้เติมแล้วก็หลวงพ่อยังแนะนําบอกว่าอะไรผ้ายันอะไรแดงๆเดี๋ยวใช่ผู้ชายผูครางใช่ใช่อย่างนี้ถ้าเอาประกบกับผ้ายายปลอเพชษได้โอ้พยายาอย่เผลอนะโอ้ยังย้ำอย่าเผลออยู่ใช่ใชนี่มงคลใหญ่ครับมงคลใหญ่ถ้าเผลอก็มาหามงคลเลยตัวไทยตัวมันกันเลยกันอ่าหลวงพ่อขอรับ ตาม <c oughs> ที่กระผมได้ไปาหาเจ้า ว, วาดพระเวกกระชัตเพื่อให้ทําพิธีสะดอกเพราะมีลาหูเข้าลาหูแทดนั้นพ <c oughs> อบอกว่าลูกเป็นศิษย์ของหลวงพ่อโอ้ท่านดีอกดีใจเอาภาพเก่ามาให้ดูเคยถ่ายผู้กันไว้ในอดีตเอาไว้โน่นมาให้กินเอาไว้นี่มาให้แจกหนังสือแจกพระท่านสรรเสริญหลวงพ่อเป็นการใหญ่ อ่าที่เรียนมานี้ก็เพื่อจะบอกพระหลวงพ่อว่าเจ้า ว, วาดกัษเวยกระฉับท่านรักหลวงพ่อมากขอให้หลวงพ่อรักท่านด้วยเจ้าค่ะเแต่งงานกับรัก <laughs> ตกลงตกลงรักอยู่แล้วอแต่จะเป็นสมัยมหมามหมามันมากมันท่านใจดีมากโอ้เป็นประเดนมาอนกันเหรอเรียเก้าเก้าเลยเหรอใช่ใช่โอ้โหโ อ, โอ้ไม่ใช่พระธรรมดาเป็นพระเมีฤทธิ์แน่แน่ มีมีมยังไงครับหลวงพ่อครับ่งนี้พอลุนระเบิดลงวัดปังคน ห, หน้าเหาะเปื้อเลยไม่ได้กลับอีกเลย<อ>ตั้งใจจะไปอยู่บางไทร<อ>เขาดึงมาอยู่จังหวัดนนท์ครับก็เลยไปเจ้าคุณนี้นั่นแล้วก็ย้ายมาวตัวเสด็จเด็จเสด็จกระชับมีฤทธิ์มากครับอ๋อลงตั้งไปพุ่มเลยเลยลงปังเหาะไม่กลับเลยอ๋อที่ก็ไม่กลัวตา ย, ยางั้นนะไม่กลัวเขาไม่กลัวตายกลัวลุนระเบิดอย่างเดียว อ๋อปกติเป็นพระใจใจดีเหมือนหลวงพ่อใช่ใจดีมากลูกศิษรักมากอสอนหนังสือดีแล้วก็เป็นปิญาติสาหิค่หลวงพ่อใช่ใช่โอ้ยนี่ใครตกทุกข์ได้ยากก็เราบอกไปบอกท่านเลยบอกว่าถ้าแต่หลวงพ่อว่าสวีกระชายผู้เจริญก็ผมอยากจะได้เงินสักพันบาทผมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อรู้สึกว่าตาสุนนะครับเอ๊ะเข้าท่านให้แน่ให้อะไรครับว่าให้วาจาก็กลับไปได้จ้ะ ตกลมก็ฟรีไม่ได้แน่นะกับก็เป็นพระดีนะตรงนี้ใจเย็นอ้าวต่อไปอะไร อ, อ้อลูกไม่สบายใจเกี่ยวกับอะไรนอตสตาดา ม, มันมุตอะไรเขาบอกว่ามันด้ไงนะนอตสตาร์ดา ม, มันมุต โอ้ไม่ไหวเลยเมืองนอกเมืองนานอสนาดามุดนะอันนี้ยังไม่เคยไปต่างประเทศภาษาอังกฤษก็กลับวัดหมดแล้วเขาพยารณ์ว่าจะเกิดได้นั่นเกิดได้นี่กันไอ้นี่ลูกไม่ห่วงหรอกไอ้ที่ห่วงก็คือว่า อ่าประเทศไทยจะมีหุ้นส่วนหรือเปล่าแล้วก็ลูกควรจะเอาอะไรจากหลงพ่อเพื่อจะป้องกันเหตุไรเหล่านี้ให้มันออกไปจากเมืองไทยถูกใจขวัญใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วขัญแล้วเอาขวัญอย่างเก่ามีอะไรที่แจกให้คุ้มได้มีรุ่นหางหมากใช่ัยไหมหางหมากก็บคำข้าวนะเยอะครั้งก็แสดงว่า เออคงจะรู้ล่วงหน้าแล้วว่ามีอย่างนี้จึงต้งรูท้ท่านบอกว่าตั้งแต่ปีโยนแตกปีแรกโอ้หลายปีเขาหลายปีที่โยนแตกนะครับคบอเมริกาห่อไปนะฉันถามท่านท่านบอกจะเกิดที่นั่น<อ>ถ้ากระสั่งทาพระชุดนี้กับคำข้าวนะครั บ, รบที่คุ้มได้เลยโอที่รัอางสีต่างๆทั้งหมดอาวุ ธ, ธยุทธศาสตร์ทั้งหมดกันได้หมดอ นี่มาอ่าสงเคราะห์โดยตรงเลยนะครับใช่ถ้าไม่ให้ตังก็ไม่ให้ปูชาแล้ปฏิบตบูชังมันตโกปฏิวัตินทางแบบแปลว่าอะไรกู้บูชาได้รับการบูชาตอบผู้ไหว้รับการไหวตอบที่เขาให้มาแล้วก็ให้ไปโอไม่ได้มีการอ่าใช่เขาไม่ให้มาเราก็ไม่ให้ไปโอนี่โอตรงไปตรงมาเลยนะใช่ใช่โอ้ไม่พระใจดีงี่หายากไม่ให้มาก็ไม่ต้องให้ไปงนะใช่ครับ อ่าอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ต้องเดือดร้อนอะไรนะลูกหลานหลวงพ่อนะอ่าทีนี้ก็ถามอีกนิดหนึงว่าแล้วเออ่ละทั้งสองอย่างคือหลวงพ่อมหาลาภกับหลวงพ่อหางหมากนี่พอจะมีทางป้องกันแก๊สได้หรือเปล่าเจ้าพระโอได้แน่เลยขอยืนยันกันได้แก๊สนะใช่นิวเคลียร์ยังกันได้แก๊สก็แค่นั้นยากกว่าอ๋อแก๊สในเรื่องเล็กไปแล้วนะใช่ใช อมาลูกเอ้ยครับไม้นี่ไอ้ไอ้ไอ้อออที่จรินเพ่ไอ้ชรนเวทบุรีมันไม่รู้นะถ้ามีรู้ว่าไปให้แจกพระองค์สงสัยพรงคจะไม่ต้องเจอแก๊นะอ้าวเจ้าเก่งมากเก่งครั<ห>บสบายใจได้เก่งมาเจ้าเออาออลูกเอ้ยเก่งมานกนะเจ้าชาว่านไปเลยอาจารย์ถึงหลวงพ่อสุดบูชาของลูกมากจ้าสุดบูชาเลยนะอืม มือว่าลูกเป็นคนที่รักพ่อพ่อก็รักลูกมากที่สุดใกล้ที่สุดกันละกันทําบุญทำกุศลทุกครั้งก็ไปด้วยการร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มาหาหลวงพ่อเป็นประจาแต่ว่าท่านเสียไปแล้วอันนี้ไม่สงสัยแต่มาสงสัยว่าการอุทิศส่วนกุศลของลูกทุกๆกครั้งที่ไปให้ท่านเป็นเวลาช้านานแล้วเพราะเหตุฉะไหนหนอจึงไม่ยอมมาเข้าฝันบอกเลยว่า รับหรือไม่รับหรืออย่างไรขอหลวงพ่อช่วยส่งเคพาะลูกด้วยเถิดพี่บอกว่าไม่มาเข้าฝันไม่จริงนะถ้มาจะรับไม่ได้อ๋อแสดงว่าเครื่องส่งมาแต่เครื่องรับรับไม่จิงอ๋อนี่ก็ต้องแก้ที่เครื่องเครื่องรับนใช่ความจริงถ้าฝึกมโนสัหน่อยก็ว่าใช่ไม่พบกันเลยนะอแต่ได้แต่ได้วิชามีไม่ยอมฝึกหน้าอาตศสองโปหลวงพ่อ ข อ, อกราบเท้าหลวงพ่อที่กรลบอย่างสูงแม้ฝันไม่ดีเลยขอนิดเดียวที่ว่าตัวเองตายไปถูกทรมานเป็นอย่างมากพยายามนึกถึงกุศลอย่างไรก็ไม่มีทางทั้งๆ ท, ที่สมัยเป็นมนุษย์ลูกทำความดีไว้เยอะแยะแต่ในฝันบอกว่าความดีของเจ้ายังน้อยเกินไปลูกอยากจะขอคำแนะนำแนวปฏิบัติจากหลวงพ่อว่าจะมีการทาบุญหรือปฏิบัติแบบไหน ฝันก็ฝันดีตายแล้วก็ไปที่ดีดีด้วยเจา้เาข่าพอะนาพุทโทไว้ไถ้าฝันจะชนะตายก็ไปดีพระนาพุทโทในเวลาฝันมารบกับใครนะชนะทุกทีไม่เชื่อลองฝันดูดิโอมีทดสอบได้เลยทดสอบได้อเอาทุกคนฝันเลยอ๋อครับ<ะ>อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับครับ โอที่เขาว่าฝันดีฝันดีนี่เพราะเพราะภาวนานี่เอง น, นะใช่ใช่คบอ้ครับครับเน่ยมีคนเป็นส่วนมากในลูกหลานหลวงพ่อชอบถามเอ๊ะทำไมอุทิศไปตรงหลายครั้งหลายคราวไม่ยอมมาเข้าฝัน ท, ที่จริงเครื่องลับอะเครื่องลับเราไม่เามาแต่ว่าคนตายจะทํำให้ลงนรกเลยทันทีนะครับโอ้พอตายปั๊บพอเดียวเดียวมาแล้วอทุกรายเหมือนกันหมดครับครครับนีเงี้ย นี่ถ้าหากว่าสมัยลุงพ่อก็คงจะต้องไปเยี่ยมเยี่ยมทุกคนใช่ไหมใช่สมมตอเรลุงพ่อเกิดปุ๊บปั๊บไปนี่ก็ต้องไปเยี่ยมทุกคนหมดเกิดเกิดจอตายครับไม่เกิดได้เกิดแล้วนะเกิดแล้วเลยเกิดแล้วเกิดจะตายโกงเอาเกิดดีกว่านะเอาไปว่าถ้าตายปุ๊บไปใช่ไหมตายครับก็ไปเยี่ยมทุกคนตอนที่ส โอเลือกเวลาหมาะเลยนะจะพ่อยกทรงอรับถ้าถ้าถ้างพ่อจะไปขอได้โปรดเมตตาชุดเียก่อนเอาตอนนี้ตอนเข้าเข้าส้วมครับโอ้ตองส้วมยกทรงเลยยกทรงสงสัยลืมล้างตูดแน่วันนั้นเฮ้ยเอ๊ะทำไมเวลาอยู่เป็นๆอุ้ยรักเขาลบความถืออุยอย่างงี้ยพราะเวลาตายก็ถอยกลัวกันไปได้นะอุปาทาน Oh. เขาหลอกมาตั้งแต่เด็กๆเขาหลอกมาหลายชั่วคนแล้วกราบๆๆแต่ความจริงถ้าเห็นผีก็บอกว่ามีลาบนะใคย ข, <ช>ขอหวยเลยจะ<ช>ดีก<ช>ว่านะ<ช> oh. ผมตั้งป้อมไม่เห็นมาตักทีอ้าวผ่านไปที่นี่อะไรหลวงพ่อเขารักกร <c oughs> ะผมได้บนกับพระบรมสารีริกธาตุที่วัดไว้ว่าถ้ากระผม เรียนจบเมื่อไรจะบวชทันทีไม่ยอมสึกทีนี้ผมเรียนจบแล้วแต่ว่าผมยังไม่พร้อมจะบวชเพราะหนึ่งต้องทำงานสองมีภาระร้อยแปดไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีถึงจะสามารถแก้คำที่บนไว้ได้เอาง<อ>ี้แล้วกันยังไงดีครับจุดโทษบอกท่านใหม่พอจบแล้วยังไม่ว่างถ้ากล้าจะตายสามวันจะตายจะบวช <c oughs> จ้าทุ่อีกบอกใหม่นะ่าวกล่าวครับเนี่ยไอเวลาจะบ่นเราไม่ได้ลองซะก่อนว่าจะแก้ได้หรือไม่ไอเวลาแล้วก็มีปัญหาโดยเฉพาะที่ว่าถ้าสูงใประจำเลยเพราเวลาหน้าก็บ่นเวลาจะแก้กับหลงพ่อจะขาอีฉันบอะไรม่ว่าจะข้านั้นเคยเจอไหลรายโอ้มีกระแทกเดียวกันนะกลาก็เป็นั้นว่าทาไง กจุดูบบอกใหม่เหรอทูบบอกใหม่อพ อ, อีสานมันจะตายจะกบวชคช่จะแหมพอดีเลยนะ <c oughs> <c oughs> คะเนเริ่มโกนจุกก็พอดีไปเลยนะครับเมื่อก่อนนี้ผมหลงในทางไสยศาสตร์เลี้ยงรักยมกุมารไว้เป็นอย่างมากปัจจุบันนี้ผมปล่อยเฉยๆไว้เพราะว่าผมมานับถือหลวงพอจะเอาไปทิ้งก็เสียดายจะเอาไว้ก็ไม่ได้บูชาอะไรก็รามายึดถือธรรมะเป็นใหญ่ อ่าจะเรียนถามหลวงพ่อก็คือว่าการกระทำของพระออย่างนี้เขาจะมากลั่นแกล้งหรือทําโทษคนในบ้านหรือเปล่าหรือจะทำอย่างไรดีขอรับจะถามใหม่ถามใหม่ถามใหม่ถามใหม่หรอถามใหม่เหรอฮะถือว่ามาก่อนสรุปเลยอะไรบ้างเมื่อก่อนนี้ก็คือเขาเลี้ยงลักจมไว้ พอมาเลียงกับหลวงพ่อปฏิบัติกับหลวงพ่อก็เลยเอาธรรมะเป็นใหญ่ก็ปล่อยนั่นแช่เย็นไว้อไม่เลี้ยงไม่ดูปล่อยตามเรื่องตามราวแกก็ไม่อยู่อ๋อจะไปเองอ๋อไปได้เหรอครับเนี่ยไปได้บางครั้งแค่หุ่นก็อยู่ในขวดมันอยู่แค่หุ่นอ๋อถ้าตัวจริงๆเขาไม่อยู่แล้วเพราะถ้าขืนอยู่เขาทําอะไรไม่ได้เขาแกล้งเราก็แกล้งไม่ได้อมีเพราะอย่างนี้ถ้าไมียันต์โเพชีนะเรียบร้อยโอ แสดงอะไรไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยอ๋อเพาอย่างนั้นถักเขาไปแล้วก็จำจำเรินลงเอาขายเลยทุกว่าอ๋อตอเนี่ยผมรวยเพราะองเนี้ยออ้โหไม่เชื่อตรงนี้ผมถูระงวันที่หนึ่งทั้งหลายครั้งแล้วโอ้แต่ถูกตัวเดียวอ๋อตัววิ่งเหรอไม่ใช่ซื้อมาเป็นใบแต่ถูกตัวเดียวอโออย่างี้ก็ไปโกหกนะเพราะว่าไก็ถูก พูดตัวเดียวนะคอัครับก็เป็นอะไรสบายใจก็ไปแค่ปาีแล้วนี่อะไรอ่ะหืมตัวหลิวจิ๋วเลยเออกราบเท้าหลวงพ่อที่กรลบอย่างสูงตอนนี้ลูกชักเปรี้ยวปากอะไรอยากจะเป็นพระโสดาบันนัแ น, น่เปรี้ยวปากอยากจะเป็นพระโสดาบัน <c oughs> ให้เต็มขั้นสักที อ๋อตอนนี้ยังไม่เต็มขั้นนะคือคำสอนของหลวงพ่ออะไรอะไรลูกก็ทำได้หมดแล้วแต่มีอยู่อย่างเดียวคือสินห้าข้อที่หนึ่งไอการจ้ว ก, กับมดลูกไม่สามารถจะแก้ไขได้เลยทั้งๆที่ไม่เจตนาวันก็หลายตัว <c oughs> ทีนี้มันเข้าไปในห้องนอนทำให้ลูกลำบากเป็นอย่างมากลูกอยากจะขอพึ่งบา ร, รมีหลวงพ่อว่า ถ้าลูกจะงดสินข้อนี้แล้วลูกจะเป็นพระโสดาบานันสักครึ่งหนึ่งพอจะได้ไหมเจ้าค<อ>่อ <c oughs> เป็นได้มากกว่าขึ้นพระโสดาบันในสินห้าใช่ไมครับครับนี่เรามี็นสินสี่นี่เขามากกว่าครึ่งโอ้โอ้สี่ข้อ <c oughs> <c oughs> เอางี้ที่อองง เ, เอาผงกันมดไปโรยทั้งคางที่นอนโอทั้งหมดเรื่องหมดราวไปกันกันซะก่อนงเงี้ยใช่ใช่กันก่อนนะ แต่แต่ถ้าหากว่าเราฆ่าไม่เจตนาใน ส, นสินสินไม่ขาย้วอ๋องั้นก็เป็นผ้สโได้าอย่างเงี้ยใช่ใช่อรแบบหลวงพ่อเจ้าขาวันนี้ลูกขอสลรภาพบาปความผิดของลูกที่มีต่อหลวงพ่อจะมากราบโดยตรงก็เกรงใจเพราะอายหลวงพ่อใช่ได้ใช่ได้เนื่องเนื่องเขาบ เนื่องจากว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งลูกไปถวายสังฆท า, านที่วัดท่าซุงที่มีงานคนเยอะๆต้องเข้าเข้าคิวแถวยาวเป็นอย่างมากในขณะที่ถึงตอนลูกเข้าไปถวายพอลูกถวายปุ๊บมันก็ตดออกมา ท, ทันทีแล้วผ่าตดตอนที่ลูกถวายลงพ่อซะด้วยลูกคิดว่าสังฆท า, านของลูกนี้คงได้ผลไม่สมบูรณ์แบบคงจะเป็นการปรามาย์ตดกับหลวงพ่อเป็นอย่างมาก จึงขอสารภาพบาปและขอเข้ามาลาโทษกับหลวงพ่อด้วยเ จ, จ้าค่ะต้นความจริงนี่ไม่บาปนะตดนี่ไม่บาปไม่บาปอ้าตดไม่ได้แกล้งให้ตดห้่าไม่ได้แลายประการในสองตดเป็นเครื่องยืนยันอ๋อวที่พระ ไ, ไม่ปิฎกจะบากใหม่มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยว่ายืนยันยืนยันยังไงกันยืนยันแทนป่าพูดไงโอ้เพรามีความพร้อมเลยนะพุทธ โอ้ยตดจะไปกุศลได้ไหมอ่าเป็นจริงโอ้ยตอนไหนก็ไปออกไปออกอีกตอนสวายแต่ก็ทานไม่เป็นไรนะครั บ, บไม่บาปไ อ, อเจ้าของก็มาหรอกอไม่มีอะไรไม่ไม่มีอะไรเป็นโทษครับครับครั บ, บนี่นี่นี่เป็นตดผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้ชายยิ่งกว่านี้อีไอตอนที่ผมเป็นแพะอยู่วัดมหาธาตุนะไม่ให้มาจะไหนจะไล่กันมปตดพราะมากราผมลื้ เขามากับเมียเมียไปล่างทรงด้วยพี่เดชพ่อพี่ด้ดพ่อเข้าทันทีเลยบอกหม่อมลูกจะตดดังนะมันไม่ตดมเมไอ้รัก็เลยก็โมทนาไปด้วยเลยเขาเรียกผัวกว็หม่อมลูกจะตดดังนะทําไมเขาว่าเขาเขตวัดก็ห้ามตดเขาว่าห้างนะเออก็นับเพื่อดีตอนเป็นพระก็เจอพิสดารเยอะเหมือนกันก็ออกไปนั่ว่าขอโนโมทนา อ้าวนี่ต่อไปอขอฝันนิดเดียวคืออย่างนี้เจ้าค่ะเห็นคุณพ่อไม่ใส่เสื้อจุงควายเผือกมาให้ตัวหนึ่งท่านพูดว่าอย่างนี้เออใช้เงินที่ค้างเขานะสองพันบาทเสร็จแล้วถ้าก็จากไปลูกก็ไม่ทราบว่าท่านเป็นนี่คนใดไว้ก็เลยมาปรึกษาหลวงพ่อว่า ถ้าลูกจะเอาเงินมาถวายหลวงพ่อสองพันแล้วบอกให้หลวงพ่อเอาโหสิกรรมให้แก่คนที่ยืมไปไม่รู้เนื้อรู้ตัวนัะหลวงพ่อจะรับเงินสองพันได้ไหมเจ้าคะเนื้วก่อเอางี้ดีกว่าให้ยังไงหลวงพ่อให้ไปฝึกโมโนยิธีนะถ้าไปติดต่อกับคุณพ่อเขาไปหนี้กับใครกันแน่ถ้าจะบอกมาไปให้คนนั้นเขาถ้าเขาไม่เอามาให้ฉันอ๋อที่พูดเผือกไว้เลยเลยนะใช่ใช่ <laughs> อย่างนี้เขาเรียกว่ า, าโนาเผื่อนะเอางั้นนะจะ<า>ได้ไม่พลาดครับเอาต